ทำบุญแล้วต้องเขียนชื่อผู้ที่เราอยากอุทิศหรือไม่ถามมีหลายแห่งบอกว่าถ้าทำบุญและเขียนชื่อคนที่เราอยากให้เขาได้บุญด้วยอย่างนี้เขาจะพลอยได้รับจริงหรือไม่และถ้าเรามีความสัมพันธ์ไม่ดีกับใครจะทำให้สัมพันธภาพดีขึ้นได้จริงด้วยวิธีนี้ไหม ตอบจริงๆแล้วอา จ, จเป็นรูปแบบอุบายการแผ่เมตตาอย่างหนึ่งนะครับตอนคุณลงมือเขียนชื่อใครด้วยความอยากให้เขาได้บุญตอนนั้นเกิดกระแสเมตตาขึ้นมากกว่าคิดคิดนึกๆกปกติแน่นอนและหากคุณทำบุญบ่อยๆเขียนชื่อเขาบ่อยๆใจก็ย่อมเป็นเมตตาเต็มรอบมากขึ้นมากขึ้นละลายหมอกควันความพยาบาทให้บางลงเรื่อยๆ ถ้าแผ่เมตตาถึงใครออกมาจากใจบริสุทธิ์จริงเต็มเต็มเมื่อเจอกันอีกครั้งกระแสเมตตาของเราจะทำงานทันทีโดยอยู่ในรูปพลังไร้ตนที่ดลใจให้เขาพลอยรู้สึกดีตามจากที่มีเรื่องเคืองกันก็ไม่อยากเคืองกันต่อจากที่เต็มไปด้วยทิฏฐิมานะก็ลดทิฏฐิมานะอยากพูดอยากเจรจากันมากขึ้น สรุปคือการทำบุญแล้วเขียนชื่ออุทิศกุศลอาจช่วยให้สัมพันธภาพระหว่างเรากับบุคคลอันเป็นเป้าหมายดีขึ้นจริงแต่คุณต้องเข้าใจจับเหตุจับผลให้ถูกคือไม่ใช่ว่าดีขึ้นด้วยการเขียนชื่อแต่ดีขึ้นด้วยการเจริญเมตตาต่อผู้เป็นอริต่างหาก